ทำทานมารักษาศีลมาฟังเทศมาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมและเนื่องจากในช่วงนี้เป็นช่วงเข้าพรรษาคือตลอดระยะเวลาสามเดือนนี้เป็นช่วงที่ชาวพุทธเราจะเพิ่มการปฏิบัติให้มีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งแต่ละคนก็สามารถกำหนดขึ้นมาเองได้ว่าอยากจะทำอะไรให้มากขึ้นอยากจะทำทานให้มากขึ้นอยากจะรักษาศีลให้มากขึ้นอยากจะไหว้พระสวนมนนั่งทำสมาธิกันให้มากขึ้นอยากจะฟังเทศน์ฟังธรรมกันให้มากขึ้นเพราะการกระทำ สิ่งเหล่านี้ให้มากขึ้นนั้นมีแต่จะเกิดประโยชน์ให้มากขึ้นแล้วก็จะลดโทษลดความทุกข์ให้น้อยลงไปอดังนั้นแต่ละท่านก็อาจจะมีความปรารถนาที่จะทำอะไรเป็นกรณีพิเศษในช่วงระยะ3สามเดือนนี้ บางท่านไม่เคยทำบุญใส่บาตรทุกวันก็อาจจะตั้งสัต์จากอธิษฐานว่าตลอดระยะเวลาสาเดือนนี้จะทำบุญใส่บาตรทุกวันในกรณีที่ไม่มีพระผ่านมาทางบ้านเราก็ยังสามารถทำบุญใส่บาตรได้ด้วยการเอาเงินที่เราจะซื้อข้าวของอาหาร ใส่บาทนั้นใส่ไว้ในกระปุกแทนแเวลาที่เราเอาใส่กระปุกก็ขอให้เราคิดว่าเงินนี้เป็นเงินที่เราซื้ออาหารเพื่อจะเอาไปใส่บาทให้กับพระแต่ตอนนี้ไม่มีพระเดินผ่านมาทางบ้านเราก็จะเอาใส่กระปุกไว้ก่อนแล้วพอเรามีโอกาสที่จะมาวัด เราก็เอาเงินที่เราใส่กระปุกนี้มาถวายวัดก็เท่ากับเราได้ทําบุญใส่บาตรทุกวันหรือเราอาจจะทําบุญอย่างอื่นก็ได้เช่นมีญาติพี่น้องมีงานบุญเราไปร่วมบุญเราเาเงินที่เราจะถวายพระนี้ไปร่วมบุญก็ได้เหมือนกันหรือเราจะเอาไปบริจาคให้โรงพยาบาล ให้โรงเรียนก็ได้เหมือนกันได้บุญเหมือนกันเป็นเงินที่เราแบ่งเอาไว้สำหรับทาบุญจะเป็นการทำบุญใส่บาตรหรือทาบุญผ้าป่าทาบุญสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างศาลาสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลสร้างหนังสือธรรมะทำอะไรก็ได้ที่เป็นคุณเป็นประโยชน์และเป็นการเสียสล เงินทองเข้าของที่เรามีอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการทำทานทำทานก็เป็นบุญเราควรที่จะหัดทำบุญอยู่เป็นประจำทำให้เป็นวิสัยแล้วการทำบุญจะทำง่ายแล้วเมื่อทำง่ายเราก็จะได้มีบุญมากเราจะได้ทำกันมากๆถ้าเรารอเวลา วันสำคัญสาคัญค่อยมาทำบุญกันปีหนึ่งก็มีเพียงไม่กี่วันเราก็จะไม่ได้ทำบุญมากเท่าที่เราควรจะทำเพราะการทำบุญนี้ก็เป็นเหมือนกับการรับประทานอาหารที่เราต้องรับประทานทุกวันวันละสองสามมื้อด้วยกันร่างกายของเราจึงจะอยู่ได้อย่างสุขอย่างสบาย ใจของเราก็เป็นเหมือนร่างกายใจของเราก็ต้องการบุญเหมือนกันบุญที่ทำให้ใจของเรามีความสุขมีความอิ่มมีความพอก็คือการให้ทานนี่เองดังนั้นในช่วงเข้าพรรานี้ถ้าเราอยากจะทาบุญให้มากขึ้นเราก็ต้องตั้งสัจจะอธิษฐาน เพราะถ้าเราไม่ต้องศัจจะอธิษฐานเราอาจจะไม่ได้ทาก็ได้คาว่าศั จ, จก็คือความจริงใจความตรงต่อความคิดความพูดของเราคิดอะไรพูดอะไรถ้ามีศัจจะก็จะต้องทำตามที่คิดตามที่พูดส่วนอธิษฐานก็คือการตั้งเป้าของการกระทำว่าเราจะทำอะไร อธิษฐานนี้ไม่ได้แปลว่าขอแต่แปลว่าการตั้งใจที่จะกระทำบุญอย่างใดบุญอย่างหนึ่งเช่นอธิษฐานว่าจะใส่บาตรทุกวันอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการตั้งเป้าหมายเพราะถ้าเราไม่ตั้งเป้าหมายเราก็จะไม่ได้ทำนั่นเองเหมือนกับวันนี้ถ้าญาติโยมไม่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะมาวัดก็จะไม่ได้มาวัน การตั้งเป้าหมายก็เป็นเหมือนกับการตั้งเข็มทิศนี่เองเราต้องการจะไปทิศทางใดเราก็ตั้งเข็มทิศให้ชี้ไปในทิศทางที่เราต้องการจะไปแล้วเราก็ออกเดินทางไปนั้นเราต้องตั้งอธิษฐานแล้วก็ต้องมีสัจจะตั้งใจจะทำอะไรแล้วต้องทำให้ได้ยกเว้นในกรณีที่สุดวิสัย ที่ไม่สามารถจะทําได้เท่านั้นแต่ถ้าทําได้เราต้องทําเพราะเราเป็นคนที่มีสัจจะคนที่มีสัจจะนี้ถ้าตั้งใจจะทําอะไรแล้วจะไม่ล้มเหลวจะทําได้ตามที่ได้ตั้งใจไว้คนที่ประสบกับความสําเร็จในชีวิตก็เพราะว่าเขามีสัจจะเขาตั้งใจจะทําอะไรแล้วเขาก็ทําตามที่เขาตั้งใจไว้ เขาตั้งใจจะเรียนหนังสือให้จบปริญญาถ้าเขาไม่มีสัจจะเขาก็อาจจะไม่ทำไม่เรียนเมื่อไม่เรียนก็จะไม่ได้จบปริญญาแต่ถ้ามีสัจจะเขาก็จะไม่เลิกเรียนจนกว่าเขาจะได้ปริญญาดังนั้นการจะทำอะไรให้เกิดความสำเร็จได้นี้เราต้องมีการอธิษฐานก่อน ต้องตั้งเป้าหมายไว้ก่อนว่าเราจะทำอะไรดีเมื่อเราตั้งเป้าหมายแล้วขั้นที่สองเราก็ต้องมีสัก์จะความจริงใจที่จะทำตามที่เราตั้งใจไว้แล้วเราก็ต้องมีวิริยะคือความภาคเพียนความขยันถ้าเราขี้เกียจเราก็อาจจะไม่ได้ทำก็ได้มีความตั้งใจมีความจริงใจ แต่พอถึงเวลาจะให้ทําจริงๆก็เกิดความเกียดค้านขึ้นมาก็อาจจะล้มเหลวได้ดังนั้นเราต้องมีความขยันด้วยมีความขยันแล้วก็ต้องมีขันติความอดทนด้วยเพราะเวลาทําความดีนี้มักจะมีมารมาประชงอยู่เรื่อยๆ เ, เดี๋ยวก็มีเพื่อนมาชวนให้ไปเที่ยวมีเพื่อนมาชวนให้ไปดื่มสุรา เงินที่จะเก็บเอาไว้ใส่บาทก็อาจจะต้องเอาไปซื้อสุราดื่มหรือเอาไปเที่ยวกับเพื่อนแต่ถ้าเรามีขันติความอดทนไม่ยอมทำตามที่เพื่อนมาชวนไปเราก็จะสามารถรักษาสัจจะกระทำในสิ่งที่เราต้องการกระทำได้ดังนั้นในพรรษานี้ถ้าเราอยากจะทำอะไรให้สำเร็จ เราต้องมีอธิษฐานมีศัลจรจมีวิรยิยะความอุตสาหะมีขันติความอดทนแล้วเราก็จะสามารถทําสิ่งที่เราปรารถนาทำกันได้เพราะชีวิตของเรานี้จะขึ้นหรือจะลงจะสุขหรือจะเลนี้ไม่ได้อยู่ที่ใข่ทางนั้นอยู่ที่ตัวเราเองเราจะขึ้นสูงก็ได้เราจะลงต่ำก็ได้ อยู่ที่การกระทําของเราถ้าเราทำบาปทำกรรมเราก็จะไปลงตับถ้าเราเสพอบายอมุกเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนคบคนไม่ดีเป็นมิตรมีความเกลียดค้านเราก็จะไปสู่ที่ตับไม่มีใครส่งเราไปไม่มีใครสาวให้เราไปเกิดในอบายเกิดในนรกได้ เรานั่ยแหละเป็นผู้สั่งเป็นผู้สาปตัวเราเองด้วยการกระทาของเราเราจึงต้องใช้อธิษฐานเพื่อเป็นการบังคับตัวเราให้ไปในทิศทางที่ดีเช่นทำบุญทำทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมฟังเทศฟังธรรมการกระทาเหล่านี้จะพาให้เราไปสู่จุดหมายปลายทาง ที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวงทั้งหลายได้เดินทางไปถึงกันคือไปสู่ความสุขที่ถาวรไปสู่การสิ้นของความทุกข์ทั้งปวงเพราะเราเราจะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปตราบใดที่เรายังต้องกลับมาเกิดอยู่เราก็ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายอยู่ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องไม่เกิดเท่านั้น เพราะทุก์ย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดเมื่อไม่มีทุกข์ไม่มีการเกิดก็จะไม่มีการแก่ไม่มีการเจ็บใม่ไข้ได้ป่วยไม่มีการตายนี่คือสิ่งที่พวกเราสามารถทำให้กับตัวเราได้และไม่มีใครจะทำให้เราได้เป็นเรื่องของอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนเหมือนกับการรับประทานอาหาร ไม่มีใครรับประทานอาหารให้เราได้เราต้องรับประทานเองถ้าไม่รับประทานก็จะหิวจะไม่อิ่มถ้ารับประทานแล้วก็จะอิ่มจะไม่หิวฉันใดถ้าเราอยากจะให้ชีวิตของเรามีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และให้ภพชาติของเราดีขึ้นไปเรื่อยๆจากมนุษย์ไปเป็นเทพจากเทพไปเป็นพรหม จากผมไปเป็นพระอริยเจ้าจนถึงขั้นพระพุทธเจ้าขั้นพระอาหารหันต์เราก็ต้องทาตามที่พุทธเจ้าทรงสอนให้เรากระทำกันดังนั้นในพรรษานี้เราจึงควรที่จะทำอะไรให้มันเพิ่มมากขึ้นเป็นพิเศษเพราะว่าเราจะได้ผลที่ดีเพิ่มมากขึ้นนั่นเองถ้าเราทำทาง นานๆ ท, ทําทีลองมาทําดูทุกวันดูแล้วจะเห็นผลที่เกิดขึ้นภายในใจอย่างแน่นอนผลนี้ไม่ต้องรอให้ตายไปถึงจะเกิดผลเกิดขึ้นตั้งแต่เราทําเราทําบุญเราก็จะมีความสุขใจแล้วนอกจากนั้นเวลาเราตายไปบุญที่เราทํานี้ก็จะส่งให้เราไปสู่สุกติดังนั้นควรจะ ตั้งสัจจะอธิษฐานทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งหรือสองสามอย่างก็ได้อย่างบางท่านนี้ก็มาบวชตลอดพรรษาบวชเป็นพระก็มีบวชเป็นชีก็มีบวชเป็นอุบาสิกาก็มีก็ถือว่าเป็นการบวชเหมือนกัน ถ, ถ้าเราไม่เคยรักษาศีลเราก็มาลองรักษาศีลกันดูลองตั้งสัจจะอธิษฐานว่า พรรษานี้จะรักษาศีลถ้ายัางรักษาไม่ได้ทุกวันก็เอาอาทิตย์ละหนึ่งครั้งหนึ่งวันก่อนทุกวันพระจะมารักษาศีลห้ากันถ้าเรารักษาศีลห้าในวันพระได้ก็ลองรักษาทุกวันดูสักหนึ่งพรรษาดูดูว่าจะมีความแตกต่างกับชีวิตของเราหรือไม่หรือถ้าเรารักษาศีลห้าได้เป็นปกติทุกวันแล้ว ก็มาลองรักษาศีลแปดกั น, นรักษาศีลแปดในวันพระก่อนหรือถ้าเรารักษาศีลแปดในวันพระได้แล้วก็ลองรักษาศีลแปดทั้งพรรษาเลยอย่างพวกปุบาศิกาที่มาอยู่วัดนี้เขาก็รักษาศีลแปดทั้ง <c oughs> ทั้งพรรษาเลยการรักษาศีลแปดนี้จะทำให้เราได้เข้าสู่ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จาก การดูการฟังการดื่มการรับประทานการเที่ยวการเล่นเป็นความสุขที่สูงกว่าที่ดีกว่าเรียกว่าความสุขที่เกิดจากความสงบจะเกิดความสงบได้เราก็ต้องไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิทําใจให้สงบกันจเจริญสติบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆื่สิ่งเหล่านี้เราก็สามารถ อธิษฐานได้ตั้งใจได้อธิษฐานที่แท้จริงคือการตั้งใจไม่ใช่การขอพวกเราเข้าใจผิดกันว่าการอธิษฐานคือการขอเรามักจะขอสิ่งนั้นสิ่งนี้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเราก็มักจะไม่ได้ตามที่เราขอกันเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเหตุที่จะทำให้เราได้สิ่งที่เราต้องการกันสิ่งที่จะทำให้เราได้สิ่งที่เราต้องการนั้น อยู่ที่การกระทำของเราถ้าเราอยากจะได้อะไรขอให้เราอธิษฐานตั้งตั้งสัตว์จะอธิษฐานว่าจะทาสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วรับรองได้ว่าจะได้อย่างแน่นอนเช่นอยากจะมีเงินมากๆก็อธิษฐานว่าต่อไปนี้จะเก็บเงินไว้จะไม่ใช้เงินเงินจะใช้เท่าที่จาเป็นเอาเงินไว้สำหรับซื้อปัจจัยสี่เท่านั้น ของอย่างอื่นจะไม่ซื้อจะเอาเงินเก็บไว้ฝากไว้ในธนาคารถ้าเราทำอย่างนี้ไม่นานเดี๋ยวเงินก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆอยู่ที่การกระทำของเราถ้าเราไม่เก็บเงินเก็บทองได้มาเท่าไหร่ก็ใช้ไปหมดแล้วเราจะมีเงินเหลือเราจะเป็นเศรษฐีขึ้นมาได้อย่างไรการจะเป็นเศรษฐีได้นี่ต้องรู้จักใช้เงินใช้ ในสิ่งที่จําเป็นแล้วต้องรู้จักเก็บเงินไม่ใช้ไปหมดถึงแม้ว่าอยากจะใช้ก็ไม่ใช้ถ้าสิ่งที่จะใช้นั้นไม่มีความจําเป็นคือถ้าไม่มีมันไม่ตายก็แสดงว่าไม่จําเป็นถ้าอยากจะซื้อของที่ไม่จําเป็นอย่าไปซื้อมันถ้ามันไม่มีแล้วมันไม่ตายก็อย่าไปซื้อเอาเก็บเอาเงินไว้ดีกว่าเพราะไม่มีเงินอาจจะตายได้อาจจะอดตายได้ แต่มีข้าวของเยอะๆนี้จะไม่สามารถป้องกันการอดตายได้ของที่เราซื้อมานี้พอซื้อมาแล้วขายไม่ได้ขายก็ไม่มีราคาไม่เหมือนกับราคาที่เราซื้อมาแต่เงินที่เราเก็บไว้นี้มันยังมีราคาเท่าเดิมอยู่เก็บไว้เท่าไหร่มันก็ยังมีคุณค่าเท่านั้นอยู่ดีกว่าซื้อของมาแล้วทำให้คุณค่าของเงินทองนั้นขายไปหมด และเวลาจาเป็นจะต้องใช้เงินใช้ทองก็จะไม่มีเงินใช้เอาของไปขายก็ได้ไม่กี่สตางค์นี่คือการกระทําที่จะทำให้เราร่ำรวยจะทำให้เราสุขให้เราเจริญอยู่ที่การกระทําของเราไม่ได้อยู่ที่การขอจากสิ่งศักดิก์สิทธิ์ถ้าการขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเหตุให้พวกเราได้สิ่งที่เราต้องการ ตอนนี้พวกเราก็เป็นมหาเศรษฐีกันไปทุกคนแล้วเป็นนายกรฐมนตตีกันไปทุกคนเป็นพระอารหันต์ไปกันทุกคนแล้วแต่สิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เกิดจากการขอมันเกิดจากการกระทำเราจึงต้องตั้งสจัจจะตั้งอธิษฐานแล้วก็ต้องตั้งวิริยะความภาคเพียรตั้งขันติความอดทนเพราะการทาความดีนี่ เหมือนกับเดินขึ้นภูเขามันไม่เหมือนกับการทำบาปการทำไม่ดีมันเหมือนเดินลงเขาสังเกตดูการทำบาปกับการไม่ทำบาปอันไหนจะง่ายกว่ากันยากกว่ากันการทำบาปนี้ง่ายเหลือเกินพูดปดนี้ปป๊บเดียวก็พูดแล้วการที่จะไม่พูดปดนี้ยากเพราะว่าอะไรเพราะเราไม่เคยกันนั่นเองเราเคยชอบพูดปดกัน พอจะต้องไม่พูดปดนี้เราจะรู้สึกอึดอัดขึ้นมาทันทีแต่ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่สุดวิสัยถ้าเราฝึกฝนอบลมไปเรื่อยๆต่อไปการไม่พูดปดก็จะเป็นนิสัยขึ้นมาแล้วเราจะรู้สึกว่าการพูดปดนี้เป็นสิ่งที่ยากมันจะสลับกันได้อยู่ที่นิสัยอยู่ที่ความเคยชินเท่านั้นเองเราเคยทำบาป ก, กันมาหลายภพหลายชาติแล้ว พอต้องมาไม่ทำบาปเราก็จะรู้สึกยากแต่ถ้าเราพยายามฝืนทาไปเรื่อยๆฝืนทำไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะง่ายแล้วต่อไปมันจะยากต่อการกระทำบาสนี่คือเรื่องของสิ่งที่เราจะได้รับจากการกระทำของเราเองในช่วงเข้าพรรษานี้ถ้าเราตั้งสัจจะอธิษฐาน ที่จะทําอะไรที่ดีเป็นกรณีพิเศษพอเราทําแล้วเราก็จะได้รับผลจากการกระทําของเราไม่ช้าก็เร็วเราก็อาจจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอาหารหันต์กันหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายซ้ําแล้วซ้ําอีกอยู่อย่างที่เราเป็นอยู่กันในขณะนี้และจะเป็นอยู่ต่อไปเรื่อยๆ ถ้าเราไม่ทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนจึงขอให้พวกเราใช้การเข้าพรรษาในช่วงเที่ยวพรรษานี้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์เพิ่มมากขึ้นด้วยการตั้งสัจจะอธิษฐานว่าจะทำบุญเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการทำทานก็ดีการรักษาศีลก็ดีการปฏิบัติธรรมก็ดีการฟังเทศฟังธรรมก็ดี ถ้าเราสามารถทําได้มากขึ้นก็เหมือนกับการได้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองบาเพิ่มมากขึ้นนั่นเองถ้าเราขยันทํางานมากขึ้นรายได้ของเราก็จะต้องมากขึ้นฉันใดถ้าเราทําบุญมากขึ้นเราก็จะได้อาริยทรัพย์ทรัพย์ภายในมากขึ้นคือได้บุญได้กุศลได้ความสุขมากขึ้นนั่นเองจึงขอฝากเรื่องของการ เข้าพรรษาการจำพรรษาให้ท่านทั้งหลายได้นำมาไปพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญที่จะเพิ่มมากขึ้นตามลำดับต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรันตนใจและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้